ใครที่ตามข่าวมาบ้างก็คงจะรู้นะว่าฟุตบอลโลกปิดฉากลงแล้วนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะสนใจหรือไม่สนใจนะแต่ว่าไอ้ฟุตบอลโลกนี่มันก็สอนธรรมะให้กับเราได้ไม่น้อยเลยนะโดยเฉพาะปีนี้นี่ก็สอนเรื่อง ความเป็นอันดิจังความไม่จีรังนะคนที่เป็นแชมป์มานะเมื่อสี่ปีที่แล้วนะอย่างทีมสเปนนะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทีมสุดยอดที่สุดในช่วงสิบปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอมามาถึงปีนี้นะก็กลายเป็นปีที่ก็กลายเป็นทีมที่เรียกว่าตกต่ำมากเพราะว่า แค่แข่งรอบแรกก็ตกรอบไปซะและ้วทีมเล็กๆนี่ยังสามารถเทียบผ่านเข้าไปได้ในรอบลึกๆนะแล้วก็แพ้อย่างเรียกว่าอ่าหน้าอับอายก็ได้นะเพราะว่าโดนแค่นัดแรกก็โดนยิงไปห้าประตูต่อหนึ่งนะไม่เหลือเข้าของความเป็นแชมป์โลกเลยนะบราซิลก็เหมือนกันนะบราซิลนี่ก็ถือเป็นตัวเต็งหนึ่งนะจะได้แชมป คาดหวังว่าจะได้แชมป์ปีนี้เพราะว่าได้เปรียบหลายอย่างทั้งศักดิ์ศ ร, รีแล้วก็เป็นเจ้าภาพแต่ว่าก็ต้องมาเจอกับความพ่ายแพ้ยอย่างยับเยินที่สุดประเภทว่าต้องจํากันไปอีกหลายสิปีข้างหน้านะโดนยิงไปเจดหนึ่งะแข่งสองนัดสุดท้ายนี่10บนัดบแพ้ไปโดนยิงไป10ประตูยิงได้ไดแค่ประตูเดียวเรียกว่าเป็นความ สำหรับสายตาชาวชาวเราเสือก็ถือว่าอัปยศมากในรอบ60ปีนะก็คงจะตราตึงไปเป็นร0อปีนะถ้าโลกยังไม่แตกซะก่อนอันนี้มันก็สะท้อนเห็หนึงความไม่จีรังนะความไม่จีรังของความสำเร็จนะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะมันก็เก่งไม่ได้นาน ก็ต้องมีวันนะที่จะต้องตกต่ำลงหรือว่าประสบความพ่ายแพ้เรียกว่าพุ่งถึงจุดสุดยอดแล้วก็ตกลงมาบางทีไม่ใช่แค่คืนสู่สา ม, มัญ น, นะแต่ว่ามันถอยหลังหรือตกต่ำยิ่งกว่า น, นั้นนะโคทีมสเปนน ะ, mm hmm. ะชื่อเดลบาสเก้ตอนที่ พื่บอลองนัทิลาเนี่ก็เรียกว่าเขาก็พุ่งถึงจุดสูงสุดของชีวิตนะในฐานะที่เป็นโค้ดพาสเปนี่เข้าเป็นแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้รับการยกย่องมากแต่ว่ามาคราวนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นจุดต่ําสุดในชีวิตความเป็นโค้ดของเขานะนะเพราะว่าพาพาทีของเขานี่ยตกรอบแรก แต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับโค้ชทีมบราซิลนะสกอเรลลี่เนี่ยเคยพาบราซิลนี่ไปได้แชมป์โลกมาแล้วเมื่อ12ปีก่อนแล้วคราวนี้เขาเชื่อว่าจะพาทีมบราซิลได้แชมป์โลกอีกแต่ปกตว่าก็เจอความตกต่ำนะหรือว่าเจอความ อ, อับยศนะเท่ามากยิ่งกว่าที่ใครๆจะเคยเจอ คือบางทีคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนี่นะถ้าหากว่ายังก้าวต่อไปนะมันก็มีแต่จะลงะนะการประสบความสำเร็จนี่แม้ว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ว่าที่ยากกว่าคือว่าจะรักษาความสำเร็จได้อย่างไรอันนี้ยากมากยิ่งถ้าปรารถนาจะให้ความสำเร็จมันอยู่ต่อเนื่องไป ตลอดนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่คนส่วนใหญ่เวลาประสบความสําเร็จนี่ก็มักจะถามตัวเองว่าทํำยังไงนะจะสําเร็จต่อไปได้เรื่อยๆหรือว่าทําไงถึงจะ อ, อยู่ในตําแหน่งนี้ไปได้เรื่อยๆถามแบบนี้นี่มันต้องเรียกว่าไม่ถูกนะต้องถามใหม่ว่าจะลงเมื่อไหร่ นะเมื่อประสบความสําเร็จแล้วนี่คุณยัต้องถามตัวเองว่าจะลงเมื่อไร่แต่คนส่วนใหญ่นะไม่อยากจะถามแบบนี้ว่าจะลงเมื่อไหร่เพราะยังมีความหวังว่าจะได้รับความสําเร็จไปได้เรื่อยๆฟุตบอลโลกเขาที่แล้วได้แชมป์นะนะปีนี้ฉันก็ต้องได้แชมป์อีกซึ่งมันก็ไม่เคยมีนะมีน้อยมากนะ อย่างสโคตลนด์นี่ที่จริงก็ควรจะรู้แล้วนะว่าตัวเองถึงจุดสูงสุดในชีวิตเมื่อสิบสองปีที่แล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังคิดว่าเนี่ยฉันยังจะทำได้อีกนะฉันยังประสบฉันยังเอาสามารถจะทำให้สำเร็จได้อีกที่จริงถ้าเขารู้เรื่องความเป็นศัจธรรมของโลกนะก็ควรจะวางมือนะให้คนที่หนุ่มกว่านะมามาทาหน้าที่แทนแต่เขาคิดว่าเนี่ย คราวที่แล้วฉันทําได้นะคราวนี้ฉันก็ต้องทําได้สุดท้ายก็เจอนะสัจธรรมเขาสอนนะสอนอย่างเจ็บปวดมากนะไม่เคยมีโคตรคนไหนนี่พาบาซิลไปตกต่ำถึงขนาดนี้นะแข่งสองนัดโดนยิงไปสิประตูนะในบ้านของตัวเองยิงได้แค่ประตูเดียวนะอันนี้มันก็เป็นบทเรียนสอนใจคนนะมากทีเดียวโดวยเพราะคนที่ ยังปรารถนาความสำเร็จทั้งโลกนะการอย่างที่บอกไว้แล้วว่าการที่จะได้รับความสำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องยากแล้วนะแต่ว่าที่ยากกว่าคือจะรักษาความสำเร็จให้ต่อเนื่องได้อย่างไรเคนเราถ้ารู้สัจธรรมของชีวิตนะก็เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็ก็ต้องรู้ว่ามันจะอยู่ไม่นานนะ เหมือนก็คนเราขึ้นเขานะขึ้นเขาไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมันก็ต้องรู้จักลงนะยิ่งเขาสูงที่สุดในโลกเนี่ยเช่นเอเวอเรสนี่คนที่ขึ้นไปนี่เขารู้เลยนะว่าต้องรีบลงจะไปอ้อยอิงถ่ายรูปเกินสองชั่วโมงนี่ไม่ได้เลยบางทีชั่วโมงหนึ่งก็นานเกินไปแล้วต้องรีบลงเพราะถ้าไม่ลงนี่ก็อาจจะไม่ได้ มีโอกาสลงไปอีกเลยคือตายนะมันก็มีหลายคนที่ลงช้าก็ตายเพราะว่าอากาศมันแปรปวนมากบนยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งสูงถึงแปดกิโลเมตรนั้นพอพอขึ้นไปถึงเนี่ยยากอยู่แล้วนะไอจะลงแล้วกลับมามีชีวิตรอดนี่ยากกว่านะอันนี้เป็นบทเรียนของคนที่อยู่บนปีนนักปีนเขา นะปีนขึ้นไปนี้ยากอยู่แล้วนะแต่ลงมาแล้วลอดตายเนี่ยยากกว่าเพราะว่าบางคนก็เพลินนะอยู่กับทิวทัศน์บนยอดเอเวอเรสต์นะแล้วไม่รอมรีบลงมาพอลงมาก็ปรากฏว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเต็นท์ไม่ถึงค่ายพักนะไม่ถึงแคมป์นะก็ตายซะก่อนเพราะว่า พายุหิมะก็ดีหรือว่าน้ําแข็งมันถล่มลงมาก็ดีดัน้คนที่ปรารถนาความสำเร็จทางโลกนี้ก็ต้องเตือน <c oughs> เตือนตัวเองอยู่เสมอนะว่าแม้ขึ้นไปถึงได้แล้วนี่ก็ต้องรู้จักลงมาด้วยจะต้องถามตัวเองเสมอว่าจะลงเมื่อไหร่ไม่ใช่จะถามว่าทายังไงถึงจะอยู่ไปได้นาน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะนะบทเรียนอย่างคุณบอลโลกนี้มันสอนได้เยอะเลยนะแต่อเนี่ยปีนี้มันเห็นชัดมากนะว่าความสําเร็จนี่ไม่จีิรังเลยมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเอาความสุขไปผูกติดกับความสําเร็จนะก็จะเป็นความสุขที่งอนแง่นมากเพราะว่าวางอยู่บนสิ่งที่มันไม่จีิรังที่แปรปรวน เอาความสุขไปผูกติดอย่างอื่นดีกว่าผูกติดอยู่กับการปล่อยวางนะารู้จักปล่อยวางมากเท่าไหร่นะมันก็จะสุขใจสงบใจได้ง่ายมากเท่านั้นแล้วก็เตรียมรับพร